ความมีสติคอยสํารวมในขณะที่เห็นอะไรได้ยินอะไรได้ทราบอะไรได้คิดได้นึกอะไรไม่ให้สิ่งเหล่านั้นก่อกิเลสให้ไหลเข้ามาท่วมใจ ดังนี้เรียกว่าอินทรียสังวรความสมรวมอินทรีย์ที่ตรัสสอนให้ปฏิบัติและก็ได้ตรัสว่าเมื่อมีอินทรียสังวรก็จะเป็นเหตุให้มีสุดจริตทั้งสาม คือความประพฤติดีทางกายทางวาจาและทางใจเมื่อมีสุจริตทั้งสามก็จะทำให้ปฏิบัติในสติปัฏฐานทั้งสี่ได้คือตั้งสติ ในกายในเวทนาในจิตในธรรมจนสติตั้งขึ้นได้ในกายในเวทนาในจิตในธรรมอันเป็นสติปัฏฐานทั้งสและเมื่อปฏิบัติในสติปัฏฐานทั้งสได้ก็จะปฏิบัติในโพธชงทั้งเจ สืบต่อไปได้และเมื่อปฏิบัติในโพชองทั้งเจ็ดสืบต่อไปได้ก็จะทำให้อบรมวิชาความรู้แจ่มแจ้งตามความเป็นจริงและวิมุตตความหลุดพ้นบังเกิดขึ้นได้ดังนี้นี่เป็นการที่ตรัสแสดง ลำดับธรรมปฏิบัติอันหนึ่งก็ได้ตรัสแสดงอีกอย่างหนึ่งก็รวมโพธชงทั้งเจ็ดนี้เข้าในสติปัฏฐานทั้งสี่ในหมวดธรรมานุปัสสนาต่อจาก หมวดอายาจักและอีกอย่างหนึ่งได้ตรัสแสดงไว้โดยเอกเทศจำเพาะหมวดโพชงสำหรับเป็นข้อปฏิบัติผู้ต้องการที่จะปฏิบัติโพชงโดยตรง <1> <1> ก็ย่อมจะปฏิบัติได้ แม้ว่าจะได้ตรัสแสดงโพชงไว้ในที่ต่างๆกันดังกล่าวคือว่าแสดงไปตามลำดับธรรมปฏิบัติต่อจากสติปัฏฐานก็มีแสดงรวมเข้าในสติปัฏฐานทั้ง4ี่ก็มี และแสดงโดยเอกเทศจำเพาะโพดชงทั้งเจ็ดก็มีอันนี้ไม่ทำให้ฟันเฟือแต่กลับเป็นการที่แสดงว่าโพดชงนั้นเป็นหลักธรรมอันสำคัญซึ่งจะต้องใช้ปฏิบัติ ในที่ทั้งปวงเมื่อต้องการจะปฏิบัติธรรมะขึ้นไปโดยลําดับก็จะต้องปฏิบัติในโพชงด้วยเมื่อจะปฏิบัติในสติปัฏฐานทั้งสี่ก็ต้องมีโพชงรวมเข้ามาด้วยหรือแม้ว่าจะปฏิบัติโพชงโดยเอกเทศ ก็ปฏิบัติได้ในวันนี้จะแสดงจะเรียกว่าลำดับปฏิบัติก็ได้จะรวมเข้าในสติปัฏฐานทั้งสี่ก็ได้หรือเรียกว่าโดยเอกเทศก็ได้ โดยที่มุ่งแสดงเป็นปัจจุบันธรรมโดยจับเอาอาจิจนะขึ้นมาเป็นข้อเริ่มต้น เพราะว่าในสติปัฏฐานข้อธรรมานุปัสสนาซึ่งแสดงหมวดอายตนะนั่นเมื่อว่าตามลำดับก็เริ่มแดนิวอนแล้วก็มาขันห้า แล้วก็มาหมวดอายตนะทั้งหกจึงมาถึงหมวดโพชงคราวนี้เมื่อแสดงเป็นปัจจุบันธรรมโดยจับเอาข้ออายตนะขึ้นมาเป็นที่ตั้งนำ จึงชื่อว่าเป็นการแสดงข้อธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานตามลำดับดังกล่าวคืออาจตนะแล้วก็โพธชงก็ได้ และเมื่อแสดงโดยปัจจุบันธรรมจะเรียกว่าแสดงโพชงโดยเอกเทศก็ได้เพราะอันที่จริงนั่นทุกทุกหมวดของสติปัฏฐานทั้งสี่ทุกๆปรปัพภะคือทุกๆุกข้อของสติปัฏฐานเหล่านี้ และทุกๆข้อของโพชฌงค์ทุกๆข้อของธรรมะที่เป็นไปาตามลำดับปฏิบัติก็รวมอยู่ในกายั ญ, ญาวาหนึง่งมีสัญญามีใจนี้นี่แหละหรือว่ารวมอยู่ในกายและใจนี้นี่แหละ และกายและใจนี้ของทุกๆคนก็มีอยู่ทางนั้นที่ตั้งของสติปัฏฐานทั้งสี่กายเวทนาจิตธรรมก็มีติดตั้งของโพชฌงก็มีแม้ว่าจะแสดงยกเอาอินทรียสังวรสติปัฏฐานยกเอาอินทรียสังวร ยกเอาสุจริตสามยกเอาสติปัฏฐานสี่ยกเอาโพธิงศ์เจ็ดยกเอาวิชาวิมุตตดังที่อ้างมาข้างต้นนั้นทั้งหมดเหล่านี้อินทรีย์ก็มีอยู่ในกายใจนี้ก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจก็มีอยู่ รูปเสียงกลิ่นรสผพิตัณธรรมเรื่องราวก็มีอยู่กายวาจาใจาอันเป็นที่ตั้งของสุจริตก็มีอยู่กายเวทนาจิตธรรมก็มีอยู่และที่ตั้งของโพชฌงค์ทั้งเจ็ดก็มีอยู่คือกายใจยอันนี้นี่เองตลอดจนถึงที่ตั้งของวิชาวิบุตก็มีอยู่ทางนั้น ก็รวมอยู่ในก้อนกายก้อนใจอันนี้ไม่ใช่ที่ไหนเพราะฉะนั้นเมื่อจะยกเอาอันใดขึ้นมาก็ติดอันอื่นขึ้นมาเป็นพวงเดียวกันทั้งหมดเพราะฉะนั้นเมื่อมงแสดงโดยปัจจุบันธรรมก็ให้กำหนดดูตาหูจมูกลล่นกายและใจที่ เป็นไปอยู่ในปัจจุบันซึ่งทาหน้าที่รับรูปรับเสียงรับกลิน่นรับรสรับผธพรรับเรื่องราวอยู่เดี๋ยวนี้หรือว่าในเวลาที่แล้วมาก็ตามในเวลาต่อไปก็ตาม ในขณะที่กําลังรับรู้รับอยู่ก็เรียกว่าเป็นปัจจุบันธรรมที่รับมาแล้วก็เป็นอดีตที่จะรับต่อไปก็เป็นอนาคตคราวนี้ก็เอาปัจจุบันธรรมคือที่รับอยู่เดี๋ยวนี้ที่รับอยู่เดี๋ยวนี้นั่นกำลังฟังธรรมบรญญาย ก็เป็นหน้าที่ของหูที่จะฟังและเป็นหน้าที่ของใจที่จะตั้งใจฟังไปพร้อมกับหูและเมื่อหูฟังใจก็ตั้งที่จะฟัง อยู่ปัจจุบันธรรมเดี๋ยวนี้ก็คือฟังธรรมบัญญายและถ้าหากว่าในขณะใดใจไม่ตั้งที่จะฟังใจออกไปคิดถึงเรื่องโน้นเรื่องนี้ต่างๆหูก็ดับก็แปลว่าไม่ได้ยินเสียงที่อบรมนี้ กลับไปรู้ไปคิดในเรื่องอื่นเพราะฉะนั้นจึงให้มีสติพร้อมทั้งสัมปชัญญะ มีสติก็คือว่าระลึกได้สำปัญ ญ, ญาก็คือว่ารู้ตัวคือมีความรู้ตัวอยู่ว่ากำลังฟังธรรมบัญญายและมีสติที่จะกำกับใจให้ใจตั้งที่จะฟัง ก็เป็นอันว่าใจก็ฟังหูก็ฟังเมื่อเป็นดังนี้จึงจะได้ยินหูไม่ดับได้ยินเสียงที่บรรยายนี้ทุกถ้อยคำไปโดยลำดับให้มีสติความระลึกได้พร้อมทั้งสัมปชัญญะความตั้งใจ ฟังแต่ว่าไม่ต้องการจะเรียกให้ยืดยาววตติสัมปชัญญะเรียกเอาคำเดียววัตติซึ่งมีความหมายครอบคลุมไปถึงสัมปชัญญะคือความรู้ตัวด้วย ซึ่งอาจจะรวมแปลสั้นๆว่าระลึกรู้สติระลึกรู้คือมีทั้งสติมีทั้งสัมปชัญญะสติก็ระลึกสัมปชัญญะก็รู้รวมเข้าสองคำเรียกสั้นๆรวมกันว่าสติคาเดียวแล้วก็กล่าวได้ว่าความระลึกรู้ คือรวมสัมปชัญญะเข้าดยนี้เป็นตัวสติที่สมบูรณ์ถ้าหากว่าไม่เช่นนั้นระลึกเลื่อนลอยไปก็ระลึกเหมือนกันแต่ว่าถ้ามีตัวรู้คอยดึงอยู่คือรู้ตัวรู้ที่กำกับตัวอยู่ว่ากำลังฟังธรรมบัญญาย ก็ทำให้ตัวระลึกระลึกอยู่ในคทํที่ที่แสดงไม่ไปไหนดังนี้จึงเป็นสติที่สมบูรณ์แต่ถ้าหากว่าไม่มีตัวรู้คอยดึงเอาไว้ใจก็ระลึกนึกเลื่อนลอยออกไปถึงโน่นถึงนี่ก็ระลึกเหมือนกันแต่ว่าไม่เรียกว่าสติในที่นี้ อันที่จริงก็สติเหมือนกันหากว่าจะเรียกว่าสติก็ได้ดังที่ท่านเรียกว่ามิจชาสติระลึกผิดผิดที่ผิดทางตลอดจนถึงผิดที่อันตรงกันข้ามกับโกอันมาไม่ดีตรงกันข้ามกับดีแต่แม้ว่าไม่ถึงขนาดนั้นระลึกผิดที่ผิดทาง ก็เป็นวิชาสติเหมือนกันดังเช่นขณะนี้กำลังทาฟังธรรมมัรยายควรที่จะระลึกไปตามถ้อยคำที่แสดงตั้งใจฟังนี่เรียกว่าระลึกถูกที่ถูกทางเป็นสัมมาสติะระลึกชอบ จึงจึงต้องมีตัวรู้รู้ตัวคอยยึดเอาไว้ไม่ให้จิตหลุดออกไประลึกเป็นมิจฉาสติระลึกผิดก็คือผิดที่ผิดทางดังนี้ก็ไม่ได้สมาธิเพราะฉะนั้นจึงต้องมีตัวสติระลึกรู้กํากับจิตใจอยู่ให้จิตใจระลึกไปตาม ธรรมะที่แสดงดังนี้เป็นตัวสติและความระลึกที่เป็นตัวสติที่เป็นปัจจุบั น, นธรรมคือในปัจจุบันอยู่เดี๋ยวนี้ก็เรียกว่าสติสัมโพชงองค์แห่งความรู้พร้อมคือสติหรือสติโพชง องแห่งความรู้คือตัวสติได้อันเป็นข้อที่หนึ่งเรานี่มาถึงข้อที่สองธรรมวิจยะสัมโพชฌงอง์แห่งความรู้พร้อมคือธรรมวิจยะหรือว่าธรรมวิจยะโพชฌงองแห่งความรู้คือธรรมวิธรรมวิจยะ อันทำมาอันทำมาทรมวิจยยนี้แปลว่าเลือกเฟ้นธทมเรียกรวมกันว่าธรรมวิจัยและคำวิจัยนี้ก็มาใช้ในภาษาไทยวิจัยสิ่งนั้นวิจัยสิ่งนี้ก็คือการพิจารณาเลือกเฟ้นเลือกเฟ้นธทมพระพุทธเจ้าตรัสสอน เป็นหลักเอาไว้ว่าก็คือเลือกเฟ้นธรรมว่ากุศลธรรมธรรมะที่เป็นกุศลหรืออกุศลลธรรมธรรมะที่เป็นอกุศลธรรมะที่มีโทษหรือว่าไม่มีโทษ ธรรมะที่เลวหรือว่าธรรมะที่ดีธรรมะที่ดำหรือว่าธรรมะที่ขาวเพราะฉะนั้นจึงต้องทำความเข้าใจคำว่าธรรมะในที่นี้ว่ามีความหมายเป็นกลางๆดีก็ทำชั่วก็ทำ เป็นคำกลางๆดังถ้าดีก็เรียกว่ากุศลธรรมชั่วก็เรียกว่าอกุศลธรรมอันมีความหมายครอบถึงทุกๆสิ่งทุกๆอย่างดังที่เรารู้ว่าสิ่งนั้นดีสิ่งนั้นไม่ดีคําว่าสิ่งก็หมายถึงทุกๆสิ่งทุกๆอย่างนั่นเอง ดังนี้คือความหมายของคำว่าธรรมะในที่นี้เพราะฉะนั้นเมื่อมีสติระลึกรู้ไปตามธรรมบรรยายที่ฟังก็ให้มีธรรมวิจัย คือให้เข้าใจไปด้วยว่าข้อที่แสดงอยู่นี้ข้อนั้นดีเป็นกุศลไม่มีโทษเป็นธรรมะที่ขาวข้อนั้น ไม่ดีเป็นอกุศลมีโทษเป็นธรรมะที่ดำดังเช่นที่แสดงถึงตัวสติที่อธิบายสติกับสัมปชัญญะจึงเรียกรวมกันว่าสติดังกล่าวนั้นแล้วมีคำแปลที่รวมกันสั้นๆว่าระลึกรู้เมื่อฟัง ก็มีสติกำกับใจให้ฟังรู้ว่ากำลังฟังดึงจิตใจให้ให้ฟังอยู่ดังนี้เป็นตัวสัมมาสติสติที่ถูกที่ถูกทางที่ชอบถ้าหากว่าติดฟุ้งออกไปไประลึก เรื่องอื่นก็เรียกว่ามิดชาสติระลึกผิดผิดที่ผิดทางบางทีแม้ว่าเรื่องที่ระลึกนั้นจะเป็นเรื่องที่ดีก็ตามแต่ว่าผิดที่ผิดทางผิดเวลาไม่ใช่เป็นเวลาที่จะส่งจิตออกไประลึกเรื่องอื่นจะต้องระลึกไปตามถ้อยคำที่แสดงนี้ดังนี้ก็มีความเข้าใจว่า ถ้าอย่างนี้ก็เป็นสมาสติถ้าอย่างนี้ก็เป็นมิจฉาสติก็เป็นธ ร, รมวิจัยอย่างหนึ่งคราวนี้ก็รู้ที่จิตใจนี้เองด้วยเมื่อจิตใจนี้เองระลึกถูกที่ถูกทางอยู่ก็รู้ว่านี่เป็นสมาสติแต่าหากว่าจิตใจนี้เองระลึก ผิดที่ผิดทางดังกล่าวก็เรียกว่าเป็นมิจฉาสติก็เรียกว่ารู้ทั้งถ้อยคําที่แสดงและรู้ทั้งความเป็นไปของจิตของตนเองว่าเป็นอย่างไรถูกหรือผิดอย่างไรถ้าเป็นสติเป็นสมมาสติถูกที่ถูกทางหรือมิจฉาสติผิดที่ผิดทาง ดังที่กล่าวมานั่นดังนี้ก็เป็นธรรมวิจัยคราวนี้เมื่อมีธรรมวิจัยอยู่ดังนี้แล้วก็นับว่าเป็นโพธชงข้อที่สองจึงมาถึงข้อตำ่ำวิริยะโพธชงหรือวิริยะสัมโพธชง โพชงหรือสัมโพดชงคือวิริยะความเพียรก็ได้แก่ความที่มีการปฏิบัติจัดทำและส่วนที่ชั่วที่ผิดส่วนที่เป็นอกุศล ส่วนที่เลวส่วนที่ดำอันเรียกว่าปะหานะปฏิบัติจัดทรรมละเสียกับปฏิบัติจัดทรรมอบรมส่วนที่ดีที่เป็นกุศลที่ไม่มีโทษที่เป็นส่วนขาว ดังเช่นเมื่อรู้ว่านี้เป็นมิจฉาสตินี่เป็นสัมมาสติก็ต้องคอยเพียรที่จะละมิจฉาสติเสียบางทีเผลอพอรู้ตัวก็กต้องนำใจกลับเข้ามาทันทีนี่เป็นประหานละละมิจฉาสติสติที่ผิดที่ผิดทางทั้งเสีย แล้วก็นำมาสู่สัมมาสติปฏิบัติทำสัมมาสติให้บังเกิดขึ้นส่วนที่ปฏิบัติจัดทมส่วนที่ดีให้เกิดขึ้นนีเรียกว่าภาวนาเพียนนั้นจึงมีสองอย่างเพียนละอันเรียกว่าปหานะอย่างหนึ่งเพียนทำดีขึ้ น, นเรียกว่าภาวนาอีกอย่างหนึ่งโดยที่ให้ มีการเริ่มทำทันทีและดำเนินการปฏิบัติจัดทำให้ก้าวหน้าต่อไปจนบรรลุถึงความสำเร็จ <c oughs> ดังนี้ก็เป็นโพชชงข้อที่สาวิทยาสัมโพดชงหรือวิทยาโพดชง เมื่อมาถึงข้อที่สามดังนี้แล้วก็จะถึงข้อที่สี่ปิติสัมโพดชงหรือปิติพชชงสัโพดชงหรือพดชงคือปิติความอิ่มใจอันเป็นผลของวิริยะคือความเพียรข้อที่สามนั้น เพราะว่าเมื่อมีการปฏิบัติจัดทำส่วนปาหานะก็คือชําระธรรมะที่เป็นส่วนอกุศลเป็นส่วนมีโทษเป็นส่วนเลวและเป็นส่วนที่ดำออกไปปฏิบัติจัดทำ ธรรมะส่วนที่เป็นกุศลที่ไม่มีโทษที่เป็นส่วนดีที่เป็นส่วนขาวให้บังเกิดขึ้นก็คือว่าทำสตินี่แหละให้บังเกิดมากขึ้นมากขึ้นและก็คอยละสิ่งที่เป็นอกุศลต่างๆนิวรณต่างๆที่บังเกิดขึ้น จิตใจก็จะบริสุทธิ์สะอาดขึ้นโดยลำดับเมื่อจิตใจบริสุทธิ์สะอาดขึ้นโดยลำดับจิตใจนี้เองก็จะเกิดความอิ่มเอิบด้วยความบริสุทธิ์จึงปรากฏอาการเป็นปีติคือความอิ่มใจคือใจที่บริสุทธิ์เอิบอิ่ม ไม่เศร้าหมองเพราะบรรดาธรรมะที่เป็นอกุศลเป็นต้นดังที่กล่าวมานั้นทําให้ใจเศร้าหมองทางนั้นรั้นเมื่อชําระออกไปเสียได้อบรมส่วนที่ดีเข้ามาแทนจิตนี้ก็บริสุทธิ์ไม่เศร้าหมองเมื่อไม่เศร้าหมองจิตก็เ อ, อิบอิ่มอยู่ด้วยความบริสุทธิ์ และดูดดื่มอยู่ในกุศลมากขึ้นเหมือนอย่างว่าดื่มน้ำที่สะอาดบริสุทธิ์ก็ทำให้เกิดความอิ่มเอิบมากขึ้นใจก็อิ่มเอิบต้องการที่จะดูดดืม่ม อุศน ล, ละธรรมยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นดังนี้ก็เป็นปีติ